ขอบน้อมแด่พระพุทธธรรมพระสงฆ์ขอ ก, กราบคารวะครูบาอาจารย์โดยมีหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนและก็ขอกราบคารวะพระเทรานุเทระและก็เพื่อนสาธ ม, มิกทุกท่านขอเจริญพร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 จะขอความอนุเคราะห์จากครูบาอาจารย์และก็เพื่อนสาธมิกทุกท่านเออวันพรุ่งนี้เป็นวันสงกรานนะก็ทำให้ย้อนระลึกไปถึงตัวเองสมัยที่เป็นกราวานแะลราก็สนุกสนานนะกับเทศกาลสงกรานเรามีความคิดนะว่า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 ก็ผิดเพี้ยนไปเป็นความสุขที่ชั่วครั้งช่วคราวแล้วก็มีอันตรายก็น่าอนุโมทนาสำหรับทุกท่านที่ใช้ช่วงเวลาสงกรานซึ่งหยุดระยะยาวมาค้นหาหรือแสวงหาความสุขในอีกรูปแบบหนึ่ง ก, กันที่วัดป่าสุขโตในช่วงเวลานี้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 หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบชั่วประเดี๋ยวประดาเหมือนกันแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสัมผัสกับความความสุขที่แท้ จ, จริงนั้นนะมันมก็จะผ่านกับความทุกข์ไปก่อนออแต่ก่อนตัวก็ผมเนื้อธรมาเองก็มองภาพของการมาฝึกกรรมฐานหรือฝึกเจริญสติเนี่ยในภาพที่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 มีสิ่งมากระทบกระเทือนใจเราก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ความรู้สึกนั้นมันไม่มีหรือบางทีเราก็เกิดโกรธขึ้นมาเกิดร้อนบูบบ้าขึ้นมามันก็เป็นสิ่งสะท้อนสะท้อนให้เราทราบว่าสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้แล้วนะ่ะจริ ง, รงๆเราไม่รู้นะมันเป็นความสงบชั่วขณะเท่านั้นเองเป็นความสุขที่ประณีตนะกว่าการที่เราไปสนุกสนานอันนี้เป็นความสุขที่ ก็ไม่เฉือหลังยั่งยืนแต่เมื่อเราได้มาฝึกเจริญสตนะิด้วยวิธีการนี้เนี่ยนะตัวกระผมนิสตามาเองได้เรียนรู้จากหลวงพ่อเทียนนะเมื่อประมาณ30มสบกว่าปีที่แล้วแล้วก็ต้องยอมรับอยู่อย่างนึงว่าสมัยก่อนเนี่ยฟังหลวงพ่อไม่เข้าใจเพราะว่าหลวงพ่อท่านพูดด้วยภาษาเมืองเลยบ้างภาษาอีสานบ้างเราฟังไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถนัดไม่ชัดเจน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 เย็นนิ่งส ง, งบแต่เราฝึกใหม่ๆเนี่ยมันไม่เย็นมันไม่นิ่งมันไม่ส ง, งบเลยนะมันเจอกับความง่วงมันเจอความฟุ้งซ่านมันเจอกับควา ม, า ม, ค, วามความไม่ชอบใจหลายอย่างนะโดยเฉพาะความง่วงเนี่ยเจอเจอมากสำหรับตัวกระผม้วยตา ม, มาเองเจอมากแล้วก็ความฟุ้งซ่านเนี่ยก็เจอเจอมากถ้าเดินจงกรมเนี่ยจะเจอความคิด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 มันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่มันโผล่มาให้เราดูให้เรารู้ให้เราทันให้เราเรียนรู้มันทุกแง่ทุกมุมที่แม้แต่ความฟุ้งซ่านก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราเรียนรู้มันไม่ใช่เป็นเป็นสิ่งผิดอะไรนะอย่างย่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยหลายคนหรือตัวกับผมน่าตมาเองแต่ก่อนในช่วงแรกๆเนี่ยเคยคิดว่าอันเนี้ยเราเดินมาผิดแล้วละ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 มันยังไม่ชัดเจนมันยังขมุกขมัวมันยังสลัวสลวยังไม่ชัดเพราะเราเราใช้ความคิดของเรามากเกินไปเราไม่มีความรู้สึกที่ซื่อตรงๆ ต, ตามันก็เลยไม่เปิดตาคือสติคือความรู้สึกตัวเนี่ยที่เราอาศัยฐานกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าไปมองเห็นความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยไอความรู้สึกเฉยเยเนี่ยมันมองเห็นยากแต่ความรู้สึกสุขเนี่ยมันจะมองเห็นง่าย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 ไปฝึกอยู่ประมาณ30กสบวันนะในช่วงเข้าบรรษาเนี่ยตอนนั้นรู้จักรูปนามเนี่ยก็คิดว่าตัวเองรู้รแล้วนะความรู้สึกการรู้จักรูปนามคือมีความรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาแม้กายที่เคลื่อนไหวเราก็รู้ใจที่นึกคิดเราก็รู้หรือป ร, กรากฏการณ์ภายนอกลมที่เย็นกินดอกไม้ที่หอมอ่านที่รสจืดเราก็สัมผัสได้หรืออะไรเกิดขึ้นเนี่ย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 อาหารรสของอาหารแม้แต่รสอาหารจืดๆเนี่ยเราก็จะสัมผัสได้นะเปรี้ยวหวานมันเค็มเรารู้สึกได้ชัดเจนนะตรงนี้ก็เป็นสติที่สามารถใช้ได้กับการการกินนะหรือแม้แต่การดื่มนะบางคนเนี่ยถ้าไม่มีสติเราดื่มน้ําอย่างรวดเร็วบางทีมันติดคอบางทก็ไม่ทันไม่ทันใจตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ซึ่ง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 เกิดขึ้นเพราะตัวกระผมด้วยตมาเองตอนที่เมื่อสี่เดือนที่แล้วได้ได้อ่านวินยัยแล้วก็พยายามปฏิบัติตามเอออันนี้มันก็ช่วยทําให้เรามีสติขึ้นม า, นาก็เป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่ช่วยช่วยทําให้มีสติไม่ว่าจะเป็นการครองผ้าการขบฉันการขับถ่ายการเดินอย่างการดื่มน้ำเนี่ยเป็นพระเนี่ยเราไปยืนดื่มมันก็ผิดวินยัยแต่ต้องนั่งดื่ม ให้มันเรียบร้อยกริยามารยาทการไปบินธบาศในหมู่บ้านแล้วเราก็เดินด้วยความสำรวมไม่ใช่เดินวกแวกมองไปมองเข้าไปในบ้านอะไรอย่างนี้นี่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่วินายก็ไ ด, ได้ได้พูดถึงแล้วควบคุมเอาไว้เพราะฉะนั้นสำหรับพระที่บทใหม่ก็อยากจะแนะนำว่าหนังสือนวา ก, กววาที่ได้รับไปเนี่ยพยายามไปศึกษาแล้วก็ตอนที่เราลงปาิโมกเนี่ย ท่านพระเถรานุเทระได้พูดถึงวินัยเนี่ยถ้าเราสงสัยอะไรก็ควรจะมีการสอบถามกันวินัยนีย่ช่วยช่วยทำให้สติช่วยเอื้อประโยชน์กับการที่จะให้เรามีสติสําหรับพระสงฆ์นะ น, นี่อันนี้ตัวกับผมนี่ทำไมเองได้รับประโยชน์จากการศึกษาวินัยนะแต่ก็ยอมรับอยู่อย่างนึงว่าตัวเองก็ยังไม่ถึงที่สุดนะแต่ก็มีความ ศรัทธาแล้วก็มีความเชื่อว่าที่สุดนั้นมันมีนะที่มาบวชเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นศรัทธาในคำพูดของหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคาเขียนนะที่ท่านท้าทายว่าที่สุดของทุก์นั้นมีซึ่งมันก็ไปตรงกับที่พระพุทธเจ้าพูดไว้เมื่อ 2,600 ปีสิ่งที่ท่านตัดสู้เมื่อ 2,600 ปีนั้นมีจริงๆแต่ก่อนเราก็เพียงแค่ศรัทธาฟังตามๆกันมานะ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 ละเอียดลึกซึ้งภายในตัวเองได้นะเป็นวิชาการหรือเป็นศาสตร์ที่วิเศษมากๆนะตัวกระผมเรียกตามาเองเรียนในหมหาวิทยาลัยทําหน้าที่เป็นครูสอนเนี่ยก็ไม่มีเรื่องพวกนี้ในหมหาวิทยาลัยในหนังสือต่างๆที่เราเรียนจากทางโลกก็ไม่มีแต่เมื่อเรามาได้ศึกษาปฏิบัติเนี่ยโอ้ใ น, นมีด้วยนะมันเป็นสิ่งที่น่าศึกษามากแล้ว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 ความรู้ที่พระองค์ได้ค้นพบเมื่อ 2,600 ปีให้มันยืนยาวต่อไปให้มันเป็นสมบัติของมนุษยชาติให้มันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้มนุษยชาติเนี่ยพ้นจากความทุกข์นะซึ่งซึ่งเป็นยอดปรารถนาของคนในในในทุกทุกยุคทุกสมัยนะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะมองเห็นยากนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องผ่านความทุกข์เข้าไปก่อนเพราะฉะนั้นอริยสัจสี่เนี่ยจึงเริ่มต้นที่ทุกข์ ไม่มีไม่มีพูดถึงสุขเลยนะนี่ก็คือย้อนกลับมาว่าการมาฝึกปฏิบัติเนี่ยแน่นอนเราต้องเจอความทุกข์แต่เราอย่าท้อความทุกข์นั่นแหละมาทดสอบความอดทนมาทดสอบกำลังใจเราแล้วเราผ่านทุกข์ไปเนี่ยเราก็จะสัมผัสกับความเป็นปกติได้นะนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะนำเสนอนะให้กับทุกท่านที่ได้มาร่วมกันใช้ชีวิตที่วัดป่าสุกโตโดยเฉพาะ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 แล้วก็ได้สัมผัสกับความจริงอันนี้นะก็ขออนุมโมทนาทุกท่านาไว้โอกาสนี้สิ่งที่ได้พูดคุยไปนำเสนอไปถ้ามีอะไรกระตกบกพร่องก็หวังว่าครูบาอาจารย์จะได้ชี้แนะตักเตือนตัวกระภูมิธรมาในในโอกาสต่อไปก็ขออายุติไว้เพียงเท่านี้